เทศอบรมพระวันที่สิบสามตุลาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ตลอดเทศก็ธรรมดาแต่ท้ายเทศและหน้าบีพูดเรื่องเฉพาะกันจึงห้ามอัดให้คล่ๆทั้งสิ้นให้เก็บไว้เฉพาะอย่าให้สับสนกัน อนอืน่มีเรื่องสมชายด้วยผมยังไม่แน่ใจผู้มาอยู่ก็แบบที่เหลือมาอวดกันนี่แทนที่จะมาสอบถวายหาธรรมตาญีปันนาที่มามาแล้วถูกที่เหลือลบหมดมีแต่ที่เหลือออกหน้าออกตานั่นแหละยิงมันจะกระทบกระเทือนต่อกัน แสลงหแสลงตาสแสลงใจต่อกันซึ่งหาความต้องอยูไม่ได้มันเป็นได้เดินตามหลักทำอะไรส่วนหลักศาสนามันประชุมกันหนึงในปัญหายะทำใม้รู้ มือประชุมก็ป้องเพียงกานประชุมเมื่อเลิกก็ป้องเพียงการเลิกให้มันดักตื้อเลิเจ้าประมั น, มนดักขึ้อและไม่รู้ถอนตื้อผู้ป ร, ประชุมันดักไว้แล้วผู้ทีไปเรื่อยๆทั้งหมดพรที่เป็นราชันย์ดีผู้ราตรีนานคือผ่ า, านโลกผ่านธําผ่านเมื่อไงสนใจคือปฏิบัติดีไปรอบมาปีนานๆให้ขอรบ ให้อขอสุนทรภพนับถือผู้เป็นรัตันดู น, น, นั่นก็บอกไว้ผมกาลืมไปก่อนยินดีในเสนาธนาป่านจะอยู่ในระยะปฏิทายไม่ทำไม่ทำไม่ได้ไ ท, ำ ท, ำไทำที่เป็นไปเพวกเคอรมความจเจริญถ่ายเดียวนั่มีความจุป มันสอนว่างไรนี้การประชุมเพื่อเพื่อทำนี่มันแค่แต่ไม่มีข้อยางานอะไรนมีปฏิบัติตั้งใจเป็นอัดเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมจริงจริงก็มีจำนวนน้อยก็ ต, ตรงหนุ่เปนเ รับปฏิบัติไม่มีมีแต่ความจดจำตามคำคืนไปลายทำเรื่องใ น, ในเป็นจดจำแต่ไม่ตารงะจปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์จียงเกิด ก, กับการ ป, รปฏิบัติมีทุกองค์ที่มาอยู่ที่ผมก็พยัายาให้การอบรม โดยสม่ำเสมอทั้งๆ ท, ท, ที่สุขภาพไม่ดีแต่ความมุ่งสำหรับพระจะรับประโยชน์เกี่ยวกับการเอาหลธมาศึกษาหลวงกับผมผมก็พยายามเต็มทีิกำลังความสามารถอยากเห็นอยากรู้ังค์พระผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจได้รู้ได้เห็นธรรมนยต่างๆ เกิดขึ้นภายในใจเพราะการปฏิบัติของตนแา่สมาธิมีความสงบเยือกเย็นของใจมันถึงปัญญาขั้นต่างๆหาว่าสุดท้ายก็คืออิมุตหลุดพ้นจะนอกเหนือสติ ป, ปัญญาอันอบลมมาด้วยดีแล้วหรือเต็มภูมิแล้วไปไม่ได้ เราึงพยายามปิด ก, กันสิ่งต่างๆแต่พอย่างยิ่งคือด้านวัตถุที่จะก็มาทำลายจิตใจอัตธรรมของพระยร่งปฏิบัติอยู่ในสำนักนี้เรื่อยมาอันใดไม่ควรที่จะรับเราไม่รับให้ต้อจะควรรับถึงจะรับให้ทำก็ดีมาให้ก็ดี ไหนไม่ควรคิดแล้วว่าผลความเสียหายมันจะเกิดมีขึ้นากับการรับสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่อันนี้ก็ไม่รับมือเ ก, ก้าอี้นักเย้าี้รับแขกรับค น, นมาถวายเราก็ไม่รับทรทธาน์เทวัาน์วิทยุอันนี้โถ้าจะเอามันสักเท่าไหร่้ในวัด น, นี้ มีกี่เครื่องวะเต็มวัดน่งมีอะไรเนี่ยค อ, อยตามโครงการเดยลามเวลาของโครงการเยอะก่ากั ห, หรือเปล่าเวลานั้นมีนั้นเวลานั้นมีนั้นเวลานั้นมีนั้นนั่นแหละเป็นเนื้อเป็นหนัเนนงเป็นจิตเป็นใจเป็นการเป็นงานจริงๆของกรรมหรือเป็นโลกลุ้นล้วนไปเลยโลกรกลุ้นล้วนทําลายจิตใจลุ้นล้วนทําลายธรรมลุ้นล้วนไปเลยมีจีดกันมากทุกอยวนีง ถึงก็พูดที่ผู้ที่เขามีติดทายเขาจะมาถวายบองจะปาเข้าปา่านะถ้าอยากให้เข้าป่าแล้วก็เอาไปถวายว่าั้งขนาดนี้นะผมคือลงเด็ดๆแต่ไว้ขนาดนั้นเพราะอันนี้เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงมากในวงพระและวงปฏิบัติทุรพัฒนิทยุไม่เอามามเราน้าสว่างมากรถดน เอาจะเอาคันชนิดไหนไมา่ว่าลดสิงลดแรงรถจิ่รถโขกรถอะไรก็แล้วแต่เถอะขอตระร้านปากออกไปว่าเอามันจะมาทันทีนี่เราก็บอกทัดทเลยบอกเราไม่เอาเพราะไม่ใช่จรมาฐานรถ ด, ดนสมองพระพได้เจ้าไม่ทรงเหงนความสำคัญของสิ่งอย่างนี้ยิ่งกว่าการปฏิบัต ตามหลักธรรมหลักีิไัยโดยทัย่วไปนี่จะเป็นสิ่งที่ขอความผูก เ, เหื่อมดึงเนื้อดึงตัวแกะพระแล้วก่อความเสียหายแก่ผ้าได้ลูกศิษย์ลูกหามีเต็มบ้านเต็มเมืองจากแต ร, รถคันไหนติดต่อแบบไทยก็ได้ที่เราจะไปกุลาณันนี้ถึงไม่จําเป็นจะต้องเอารถโดยมาอวดโลกเขาสิ่งเห่านี้โลกมีเขามีเต็มไปหมดแล้วทําไม่เกี่ย ว, ว, ยวข้องกับสินน่งนี้จะนําออกมาแข่งเขาได้อย่างไร เอาพรแข่งก็ได้ลงคอยอะไรหรือใครอยากมานะปลาเข้าปลาไม่หม ด, หห ม, ดมันบอกนเลยม่ใช่เรื่องของพะนั่นแล้วจะไปเห็นเตงอกเนงใจคนทายเดียวแล้วอารมณ์เขาทั้งแล้วกระตนก็อยากได้อยู่บ้างอย่างนี้ไม่ได้ความอยากนั้นมันมีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ความอยากนี่ส่วนมากเป็นพื้นเทของที่เหลืพาให้อยาก ไม่ใช่พื้นเพของธรรมเราต้องคิดไม่คิดไม่ได้ผู้ปฏิบตัตินักปฏิบตัติไม่ค่าควรนักปฏิบตัติไม่ฉลาดเราจะอะไรไปสอนโลกให้มีความเฉลียวฉจะไปสอนโลกให้มีความคิดอ่านใจตองในรอบครอบในกิจการวินาทีต่างๆได้อย่างไรหลักของศาสน า, าออกมาจากจอมปราดท่านผู้ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้า การครองน่าจะสมบัติก็คือความเป็นพระเจ้าพผ่นนปกครองประเทศชาติบ้านหมืองมาถึงสิบสามปีจะไม่ทรงทมนิทำนานค้่องแคล่วเรื่องราวของโลกได้อย่างไรออกมาประทรงเด็จออกทรงพระหนวดประทรงผู้พฤติปฏิบัติข้าองค์ถึงหกปยถึงขั้นสลบสลายแทบล้มแทบตายเินตายถึงนิจหลังทำ ในขนาดที่ทรงค้นคิดอัรรมทั้งหลายอยู่นั้นก็สุดพระกํากลังความสา ม, มารถจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาถ้าสติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมจริงๆสมควรที่จะเป็นสัพพันธ์อยู่สมควรที่จะเป็นาศาสดาของโลกแล้วจะเป็นาศาสตาของโลกและตรัสรู้ทมได้อย่างไรเพราะกิเลสมีความละเอียดแหลมคมมาก ในใจโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะฉลาดและคมยิ่งกว่ากิเลสกิเลสเป็นเจ้าโลกทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธเจ้าเป็นปราบกิเลสได้ลงอย่างราบคาบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ในพระไถยแม่นิดหนึ่งเลยถ้าไม่ตรงเฉลียวฉลาด เ, เหนือกิเลสซึ่งเป็นเจ้าครองวัตจักรแล้วจะทรงปราบกิเลสได้อย่างไร จะเป็นข่าวสาสอนโลกได้อย่างไรคนโ ง, โง่ๆผมเป็นคนฉลาดภูมิของพระพุทธเจ้าเป็นภูมิที่มหาปัญญาเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรจุดช้าพรไม่มีจิตใดสมุนเหมือนความรู้ความสามารถครบริชาทุกอย่างทุกด้านไม่ว่าภายนอกภายในเป็นสิ่งที่พระมูลในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่น ช, ชื่อว่าจอมปราด นำศาสนามาสานาโลกจะสอนด้วยความห่วง่เฒ่าเขาปัญญาได้อย่างไรต้องสอนด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุกหมุมไม่ว่ากิจนอกการใดไม่ว่าเรื่องสีไม่ว่าสมาธิเช่นอย่างสอนพระไม่ว่าปัญญาจะท้งแยกแยะให้เข้าใจทุกแง่ทุกกระทงไปทั้งสอนโลกก็ไม่อัน้นสอนประชาชนสอนพระก็ไม่อัน้น เพราะความรู้เหมือนท้องฟ้ามาหาสมุทรไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้ศาสนาที่ยังทรงยังมีอยู่นี่ก็ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพ ธ, ธิจักรเป็นบุ่งตนถ่ายทอดมาถึงพวกเรานี้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบดังที่พระองค์ท่านสอนจริงๆก็ออยังเป็นแนวทางอันดีงามให้เราทั้งหลายได้ไปปฏิบัติอยู่ นี่ก็คือออกมาจากจอมปราสอนให้คนเฉียวฉลาดเฉพาะอย่างยิ่งนะักปฏิบัติธรรมคือพระกรรมฐานเราแล้วจึงพูดเสมอพูดแล้วพูดเล่าพูดซ้ำๆศักๆถึงเรื่องสติปัญญาความรอบขอบความเฉียวฉลาดความไตรจอมให้รู้เหตุรู้ผลรอบตัวและรอบจิตการงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับตนมาให้บกพร่อง ก็คือให้มีความฉลาดแหลมคมตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้แม้จะไม่เป็นแบบศาสดาก็ตามก็อยู่ในเกณฑ์แห่งลูกศิษย์ที่มีครูสอนเราจึงอยากได้ยินได้ฟังเหลือเกินจากหมู่คณะที่ประพฤติปฏิบัติภาวนาว่าใครมีผลอย่างไรบ้างมาอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเวลาหลายปีหลายเดือนคง เราได้ตั้งหนาตั้งตาจั่งสอนอบรมเรื่อยมาไม่เคยทอดทุระสำหรับพระเนรเราถือเป็นกรณีพิเศษได้เป็นจุดที่สนใจมากยิ่งกว่าประชาชนทั่วๆไปเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจเพราะพระนี่พร้อมแล้วทุกอย่างทั้งการปฏิบัติก็พร้อมเพาไม่มีสิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนคารวาสจึงมีปิดบ้านการเรือนกี่ร้อยแทันประการ ถ้าเรามีหน้าที่อันเดียวตั้งแต่การเดินจงกรมหน้าสมาธิถวายนะงานกับงานจำเพาะอุทธรมก็ทํารมจำเพาะจัตว์ปัจจัยทาทานทั้งสี่พวกประชาชนซึ่งเป็นผู้มีความเชื่อความสสัยนท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่มากที่จะสลับขนนเหลาผู้ตั้งใจปกปิดปฏิบัติดังที่ได้เห็นหมาแล้วนี้ แล้วค่ะตบบลองอะไรนอกจากบกล่องทางความภาคเพีย็นเรื่องมักเรื่องผลเพนั้นไม่เห็นมีอะไรบร่องในส่วนภายนอกที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาเราหรือเป็นปัจจัยสนับสนุนมีแต่บร่องอยู่ภายในตัวของเราเองเพราะหน้าที่ของเราบกร่องการงานของเราบกร่องความรู้ความฉลาดของเราบกร่องผลที่จะ เป็นที่พึงใจโดยลำหนักตั้งแต่ความสงบร่มเย็นภายในตัวเองจนกระทั่งความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเพราะอํานาจของสติปัญญาอันเกิดขึ้นจากความภาคเพียรนั้นมันบกพร่องไปด้วยกันนี่ความบกพร่องมันตกอยู่ที่เราไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนผู้ให้การสนับสนุส น, นเราจะคิดอย่างไรเพียงจะเหมาะสมกับเราเป็นผู้ตั้งหลาตั้งตาประพฤติปฏิบัติและพร้อมแล้วทุกอย่าง พร้อมแล้วไม่ทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์เทศนี้เป็นเทศที่พร้อมแล้วตัวเราที่ทรงเทศนี้พร้อมแล้วอย่างหน้าที่กันทําอะไรหรือทาไปแบบจะจับจัดทิ้งทิ้งความคว่างฝักแต่ว่าทําแล้วต้องการผลเลยเม็ดเลยนิพพานมันได้อยังไงเันต้องคํานึงถึงเหตุเป็นสาคัญอะไรก็ตามอย่าลืมคําว่าพุทธังทำเมาสังคังสนังปชานี้ให้ติดแนบปัจจัยเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผล แต่จะไม่หลวมตัวไปทางที่ไม่ดีและจิตใจก็จะมีความขายันหมั่นเพียรเพราะทางเหตุพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วไม่มีใครที่จะมีความเพียรกล้ายิ่งกว่าจากะดาษสาวกท่านก็พาดําเนินมาแล้วเราได้เห็นใน ต, นตาําหนักตำรายประวัติของพระสาวไปยังไงความเปลียนของท่านหล่ะนะผ่านมีความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นบายกับโลกกับองคฐานอันใดบ้าง ราท่านเคยผ่านมาเหมือนกันกับพวกเราเนี้โลกท่านกกต้องเคยผ่านมาอันเมื่อท่านมุ่งกับทั้งด้านอาจด้านทำแล้วท่านก็เอาจริงเอกจากเรีได้รู้เห็นมาผลที่ทานขึ้นมาภายในจิตใจทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อันเป็นบรมสุขเพราะเหตุคือการปฏิทําสมบูรณ์ผลที่เกิดพึงได้รับ ก, ก็ต้องสมบูรณ์แบบประตามกันแยกกันไม่ได้ระหว่างเหตุกับผล พวกเราผลไม่ปรากฏเพราะเหตุมันบุบกคล่องๆององจริงไม่จับเนี่ยอย่าตำหนิที่อื่นให้ตำหนิเราการอบางสอนผมก็สอนเต็มภูมิของผมสำหรับพระที่มาอยู่อาศัยผมไม่เคยมีปิดบังลี้ลับเวลาเปิดเปิดอย่างเต็มที่ทั้งปาเหตุสายผลที่ตนได้ดำเนินมาอย่างไรทุกแน่ทุกมุม จนกระทั่งสูบความสามารถที่จะอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังได้ไม่เคยมีความปิดบังลี้นะับแต่น้อยไม่แต่น้อยเลยทำไมผู้ฟังจึงไม่ถึงใจพอที่เป็นคติยึดเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้หนักทางความท่าเทียนทุกด้านพอที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนให้สมกับว่านักบวชคือนักสู้นักรบไอ้ท้อ มรรคผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนเคยพูดให้ฟังจนตากเปียกแล้วอย่าคากมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่นั่นที่นี้การนั้นเวลานี้อยู่กับวัตถุอยู่กับเมฆกระบอกอินฟ้าอากาศต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสมมติทั้งมวลรอบตัวของเรานี้นับแต่ขันออกไปทั่วโลกกระถางเต็มไปด้วยความสมมุติทั้งนั้นมรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่เหล่านั้น แต่อยู่ในวงสัจธรรมเป็นหลักประกันตัวรักสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมทั้งสิทุกทุกกายทุกใจหรืออย่าว่าทุกทุกนี่เลยละคือตั้งขึ้นว่าทุกขังอริยสัจจ์ทุกเป็นของริงอันตรเติอเนี่ยบอกไว้แล้วเปลี่ยนแปลงประยักนี้ไม่ได้ เป็นความตายตัวที่จอมปราศคือผู้บริข้าที่ฉลาดแถมผมทรงรู้แล้วและทรงบญญรรญัตไว้ว่าทุกขังอริยสัจจ์หากทราบว่ามีอยู่ในขันในจิตั้งเราทุกมีได้ทั้งทางกายและทางใจสมุทยัยอริยสัจจงสิ่งที่ผิดทุกขึ้นมาได้ แก่กิเลสประเภทหนึง่งที่ท่านให้ชื่อว่าสมุทยัยแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์หรือเกิดไม่ว่าทุกภายนอกภายในยเกิดขึ้นมาจากใจเป็นสํมผัญใจลัวผุ้กิดขึ้นมาถึงยกตัวอยา่างออกมาเป็มย่อๆว่ากามติหาภาวตหาวิภาวตห า, า, ตหาสรุปความแล้วเรียกว่าอยากความอยากความหิวโหวย ควาไม่เพียงพอในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทัึงบัดนี้ไม่เคยมีความอิ่มพอเลยก็เพราะตันหาตัวนี้แหละมันเหวีมันอยากตลอดเวลานี่คือกิเลสตั ว, วรบกวนที่สุดยิ่งข้าวอิ่มขนาดไหนนอนอิ่มขนาดไหนก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนเสริมกําลังของกิเลส ให้กล้าแข็งขึ้นไปโดย ล, ลําดับให้มีความอยากความทะเยอทะยานมากขึ้นราคะาตาัณหาก็เพิ่มพูนขึ้นเพราะสิ่ง น, นี้เป็นเครื่องส น, าานับสนุนนี่แหละท่านเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งทุกให้พึงทราบพูนง่าง่ายมาให้ทราบอย่างถึงใจเวลานี้ทุกเกิดเอาเรายกเป็นหลักปัจจุบันขึ้นมาว่าเวลานี้ทุกเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่กาล เกิดขึ้นที่ใจชงมติไทยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สังขารชัญนยาของร่ากั้นหลายและเกิดขึ้นจากการรั้งบัดรั้งพันสี่หนึ่งต่างด้วยอเลตนาภายในและเกิดขึ้นโดยทางธรรมารมณ์ภายในใจโดยเฉพาะที่ได้เคยผ่านเรื่องะดีตเกี่ยวกับรูปเสียงถึงรถเรื่องยนต์ผัดเรื่องต่างๆนั่นนหะมาและเอามาคุ้นคิดเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตใจเผาหลนตนอยู่ตลอดเวลาล้วนเป็นการสั่งสนเกศ เพื่อกรองทุกข์ขึ้นโดยสม่ำเสมอไม่มีหยุดยั้งผ่อนคลายเลยก็คือสมุทัยตัวนี้นี่ท่านเรียกว่าสมุทยัใ ย, ทใทยให้พยายามละน่ะท่านบอกทุกให้กําหนดรู้สมุทัยให้พยายามละการละสมุทัยจะละด้วยวิธีใหญ่ถ้ามาละด้วยมักมักคืออะไรก็คือคติปัญญาเป็นทัน้งหมด สติปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะละสมุทัยวันสมุทัยให้ขาดสะบั้นลงไปด้วยสติปัญญากรารมาตัญหามันชอบเรื่องอะไรคนร้นดูตามเหตุตามผลที่มันไปชอบมันไปชอบรู ป, ร, ปรูปหญินรูปชาปรูปพัชรูปสิ่งของใดๆเอาคน้นดูให้เห็นชัดเจนมันเป็นจัดเป็นบุคคลจริงๆหรอมันเป็นสิสนคค่งทีนนงน่น่ารักน่ารักใครเข้าไปจริงหรือ บัญญาคลีคลายลงไปให้มันเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเองมาทุกข์กำนัตตรู้เอาเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะนั่งภาวนา น, นานก็ดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นด้วยโรคภัยท่าเจ็บต่างๆก็ดีทุกข์นี้มีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้ น, นค้นหาสาเหตุของทุกข์มันมาจากไหน ใครเป็นผู้สําคัญมั่นหมายใครเป็นผู้ไแปบบแบกขามเรื่องทุกข์ไปกว้านเอาทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นเข้ามาเผารยจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนกลายเป็นทุกข์สองชั้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่เจ้าสมุไทยสัญญาความสําคัญมั่นหมายนั่นแหละคือตัวการสมุไทยะนนั้ท่านถึงแยกให้แยกแย ก, แยกออกให้เห็นตามเรื่องของมันซึ่งแต่และอย่างอยาเป็นขันเท่านั้นขันแปลว่ากองหรือแปลว่าเหมือ แต่ว่าพวกกองรู้กองเวทนาทุกทุกใฉ้เฉยกองสัญญาความจำได้หมายรู้กองสังขารคือความคิดความปรุงภายใจิใจดีชั่วต่างๆากองวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นในขณะที่สัมผัสกับสิ่งภายนอกและดับไปในขณะที่สิ่งสัมผัสผ่านไป นี่มันเป็นกองเป็นกองแต่ละอย่างละอย่างนี้เป็นอาการออกมาจากใจรูปนี่ไม่ใช่ใจก็ตามแต่ใจก็เป็นเจ้าตัวการเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนั้นยังยึดถือเขานี้ด้วยเพราะอํนานาจแห่งสมุทรไทยมีกําลังกล้าสามารถยึดเอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟนี้ไปเป็นตัวขั้นตัวอย่างแนบสนิทแกะไม่ออกถ้าไม่นําสติปัญญาเข้าไปคลี่คลายด้วยเห็นตาม ความเป็นจริงของมันแล้วเราจะแยกจิจจากรูปกายของเราไม่ได้เวทนาก็เหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็เลยเมาเอาเ่าเวทนานี้เป็นเราทุก็เลยเป็นเาราไปเสียจะหาทางแยกจากกันไม่ได้เพราะมันมีสติปัญญาที่จะแยกและจะเรียกว่าเพียรละสมุทัยได้หรือ เมื่อนำปัญญติปัญญาเข้าไปคลี่คาอยู่ทุกข์ให้มันเห็นจริงๆทุกข์ทางกายก็ตามทุกข์ทางใจก็ตามเอากำหนดดูทุกนี้มีรูปลักษณะอย่างไรเวลามันเป็นขึ้นมานี้รูปเขาว่าเขาเอทุกข์นี่เขาว่าเขาเป็นเขาไม้เขาว่าเขาเป็นเขาเป็นราวไม้เขาว่าเป็นของเราวไม แล้วเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขาเป็นทุกข์แล้วาและเขามาให้ทุกข์แก่เราเขารู้หมายเขาไม่รู้เป็นความจริงอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นในบางการบางเวลาแล้วก็ดับไปตามสภาพของเขาเท่านั้นและทั้งที่เขา ม, มีความหมายตัวของเราเอ่ยเลยในขณะดที่เิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตเป็นผู้ไปให้ความหมายต่า ง, งหางกไปให้ความหมายว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้พร้อม ในขณะเดียวกันที่ไปให้ความหมายเขาก็ยืดเขาว่าเป็นเราทุกเป็นปืนเป็นไฟก็ยืดว่าเป็นเราเป็นของเราเราจึงคว้านเอางแต่ปืนแต่ไฟก็มาเผาลุนตนให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกสองชั้นคือทุกภายในใจเข้ามาอีกด้วยเหตุนี้ทันจึงให้แยกดูให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เข้าใจเรื่องของทุก์ด้วยปัญญาว่าทุกเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอันใด ถึงกับต้องกระทวนภารจิตใจต้องเกิดขึ้นจากสมูทัยใจเป็นผู้ไปสําคัญใจผู้หมายทุกข์ถึงจะเกิดขึ้นภาระจิตใจได้แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นทางร่างกายจิตใจก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเป็นความทุกข์ขึ้นมาขั้นนเพราะอํานาจแห่งความสําคัญนั้นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราว่าเราเป็นทุกข์ไม่อยากให้มันเป็นอยากใมันหายเสียเท่าไรความอยากนี่คือยิ่งเป็นการเสรื่เพลียขึ้นมาการปฏิบัติตามหลักของพรสิปัญญาหรือ มากนั้นไม่ต้องประหยากให้มันดับมันจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้มันเรื่องทุกข์แต่ค้นสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างทุกข์นี้ไม่หดจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองถึงทุกข์ไม่ดับความสาคัญนั้นหมายของสัญญาอารมณ์นั้นมันก็ดับทุกข์ก็เลยเป็นความจริงอันหนึ่งเด่นชัดอยู่ตามสภาพของตนเพราะจิตเป็นผู้รู้เท่าความจริงใน ทุกนั้นด้วยความจริงในตัวของตัวด้วยเจิงไม่มีการกระทบกทระเทือนซึ่งกันแลกานแม้ทุกจะไม่ดาบเกินขึ้นภายในร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่สามารถที่จะปไปทําความกระทบกระเทือนหรือซึมภาพจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เลยนี่คือความเห็นทุกด้วยความจริงเห็นหัดจะถักเห็นอย่างนี้นและเห็นย้อนเข้ามาอีกก็คือว่าจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสําคัญมั่นหมาย จิตเท่านั้นเป็นตัวถุกเพราะจิตเป็นผู้สําคัญนั้นหมายจิตเป็นผู้คิดกิเลสขึ้นมาความสําคัญนั้นหมายความยึดความถือต่างๆเหล่า น, น, นี้เป็นเรื่องของสมไทยเนี่ยจะไปไหนผมจะต้องมาปรากฏที่จิตจิตจึงต้องเป็นถุกนี่ตัวสําคัญจริงๆเห็นอริยสัจต้อยเห็นชัดๆที่นี่มากก็เลยพูดแล้วทัศนีย์ญญ ดับทุกหรือรือสวมถ่ายหรือถอนสมูไทยด้วยมาทุกก็เป็นอันดับไปพร้ อ, อมๆกันนิโรธไม่ต้องบอกที่รยาแห่งความดับของทุก์เพราะอํานาจของอเพราะอำนาจของมากที่ถอนสมูไทยได้นิโรธเป็นผลพอยหน้ปาปรากฏขึ้นเป็นลําดับลําดาตามอํานาจของมากที่ตัดสมูไทยอันเป็นเหตุปิดทุกได้มากน้อยเท่าไหรความดับทุกก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดับ ยังทุกโดยราบคาบไม่มีสิ่งใดเหลือภารในใจเลยเพราะดับสมุทัยโดยสิ้นเชิงภายในใจนะเดี๋ยวว่านิโรธเต็มผุ่งเพราะสมุทัยเต็มผุ่งสติปัญญาเต็มผุ่งนิโรธก็เต็มผุ่งของกิงทุกอย่างทุกสมุทัยรุ่นมากริงตามส่วนของแต่ละอย่างออ่ะยางไม่ทบไม่เทียมไม่ทะเลาะ ก, กันต่างอันต่างกิงต่างอันต่างอยู่ พุกมันเกิดขึ้นภายลร่างกายก็ยอมรับว่านี่เป็นเดือนของงมันเขาก็อยู่เรายังอยู่ได้ทำไมเขาจะอยู่ไม่ได้เขาเส่วนสมุทรไทยนั่นดับไม่มีเหลือเลยเพราะมารตธรรมราดตปรามไปเรียบไม่มีเลย น, น, นี่การกาดทั้งหมดนี้การาวอยู่ในวงไหนที่จะให้เกิดมรรคผลนิพพานการการาอยู่ในวงสัจธรรม ทำที่กล่าวทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับเราหรือไม่ทุกก็บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจทำไมเราเป็นนักปฏิบัติจึงไม่รู้เรื่องของทุกก็เป็นความจริงให้ประจักษ์ใจของเราบ้างสติปัญญาเอามาต้มแกงกินไม่ได้ถ้าไม่ใช้ให้ถูกกับฐานะที่ควรแก่สติปัญญาคือเอาไปพิพจิรณาค่อรวจ ในกิตการต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งจิตภายใ่จิตละจิตถอนกิเลสต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาสติต้องเป็นเครื่องควบคุม ง, งานอยู่ตลอดเวลาละไม่ได้นี่เป็นสำาปันเอานี่เราเป็นนักปฏิบัติเราห้มไม่เห็นจริงเห็นจากถ้าลงได้รู้ภานะจิตใจแล้วไม่มีวัน พูดได้อย่างเต็มปากผู้ดได้รู้แค่ไหนพูดได้อย่างเต็มปากอาถรรพไม่สะทกสถานก็คือผู้รู้ความจริงภายในตัวนี่ดังพระพุทธเจ้าสัจจะรู้ทำแล้วทำเหล่านี้ไม่มีใครสามารถนำมาสอนโลกได้เลยแต่พระองค์สามารถนำมาสอนโลกได้ด้วยความองค์อาจกล้าหาญเป็นอาถรรพ์ใหม่ก็เพราะทรงรู้จริงเห็นจริงพูดตามหลักความจริงจึงไม่มีการสะทกสถาน ความจริงแล้วลบไม่สุขธรรมะจึงมีมาจนกทั่งถึงทุกวนันนี้หากว่าไม่มีคุณค่าเนือสิ่งทั้งหลายแล้วสาธนาธรรมของพระเจ้าจะขาบสู์ไปนานแล้วมามาถึงพวกเราให้เลยประพฤติปฏิบัติดูเวลานี่เลยแล้วทำทั้งหมดนี้รวมลงอยู่ที่ไหนรวมลงอยู่ที่อาตธรรมทั้งสี่ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับ มีกามตัญหาพุาภหาวิภาวะตัญหาเป็นต้นนี่คือสมุทยัยคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่สิ่งเหล่านี้มันไปกลุไปต้องการไปหยาดดูให้เห็นชัดเจนความหยาดมันก็ถอนตัวออกมาเท่านั้นเองคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปรเรื่องของปัญญาแนบสนิต ส myself, ัมมาวาจาธัมมากัมมันโตเอาย่นเข้ามาให้ถึงคณะท่านละเอียดของผู้ปฏิบัติการกล่าวชอบกล่าวสนทนาปาศัยกันเรื่องถอดเรื่องถอนชีเดชอาสวะไม่ได้กล่าวเรื่องโลกเรื่องสงสารบ้านมือการบ้านกันเมืองอย่างนั้นอย่างนี้กล่าวเป็นเครื่องสัมโมสัญกถาเครื่องรื่นเริง เป็นคติตือนใจซึ่งกันและกันในการที่จะกําจัดที่เด็ดขาดวะออกจากจิตใจโดยหลักชื่อว่าสัมมาวาจาในหลักธรรมท่านหลดสัมมาวาจาท่านอธิบายไปขึ้นด้นความกล่าวชอบกล่าวในสันเลกาธรรมที่ประกาศได้เคย อ, อธิบายให้ฟังแล้วสันเลกาธรรมคืออะไรสันเลขะแปลว่าทําเป็น เรื่องขัดเกลารึชำระดี่เล็กยึดปราบปรามที่เล็กพูดกันถึงเรื่องวิธีการปราบปรามที่เล็กเรียกว่าสันเลยกระทามีสิบประการคืออัปิชาตาความมากน้อยฉันโ ด, ดูลดกันลองกันลงมาความยินมีตามจะมีตามเผืดอแข่งปัจจัยทานทั้งหลาย สังสคนิกาวิเวกตาชอบวิเวกสงัดสังสคนิกาไม่คุกคีโดยมือโดยคณะปัญหาโดยเรื่องเวลาไม่ได้วิริยาลําภาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่งเสมอในเอียบทต่างๆไม่ประมาทตอนดับศีลรักษาให้มีความบริสุทธิ์หมดต ด, ดอยู่เสมอเพราะศีลเป็นสมบัติของพระโดยแท้สมาธิพยายามอบรมให้เกิดท่านีขึ้นให้มีกิจใจเยือกเย็น เห็นผลประจักษ์ท้อการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นขั้นๆไปปัญญาคือการคลี่คลายความเฉลียวฉลาดของตนออกตรวจตราสิ่งทั้งหลายที่ควรแก่ปัญญานั้นให้เข้าใจมีตรลักษณ์เป็นสําคันเนี่ยเมื่อเต็มภูมิแล้วก็เป็นริมุติเนี่ยริมุตดียาทัศน์นี่สิบข้อด้วยกันนี่คือสันเลขาธรรมท่านทักกล่าวให้กล่าวอย่างนี้เป็น สัมโมใช้นยมภาษาเครื่องรื่นเริงซึ่งกันในการสัมมากัมมันตากการงานชอบการในงานในที่เช่นไรเรียกว่าชอบสําหรับนักปฏิบัติงานคือการเดินตรงๆรนั่งสมาธิภาวนานี่แหละคืองานชอบยิ่งงานชอบนี้เป็นไปเพื่อขอดถอนกิเลสงานอย่างอื่นถึงจะชอบก็าตามแต่มันเป็นความกังวลวุ่ายกลายเป็นเรื่องส่งเสริมรกิเลสสั่งสมกิเลสขึ้นมา เดไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่ชอบประกอบการงานต่างๆในเรื่องภายนอกก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้จึงทายได้เลยโดยไม่สงสัยว่านั้นคือตั้งต่สั่งสมกิเลสนำกิเลสเข้ามาสังหารทำภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจหากมีอยู่แล้วก็ให้ชิบหายไปหมดหากไม่มีก็ให้เตียนโล่งไปหมดเลยจิตทั้งดวงไม่ให้มีทำภายใใจนั้นจึงไม่เรียกว่างานท่อในทันละเอียดในทของผู้บิบ เนี่ยธรรมมาธรรมตาธรรมมาวายามะเพียนทอบเพียนในที่ศีรษฐานท่านก็นบอกไว้แล้วพอกพอเข้าใจอันนีุ้ยาามทัง้งรวนระวังบาปให้เกิดขึ้นอะไรบาปคือความเศร้าหมองของใจเ่จะนํามาทุ่มทุกข์ใหญ่พยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเกิดไปหมดไปหมดไปอนุยามแผ่สมความดีให้ ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นได้รักษามีความตีนตาบวมในเดื่องสีจะเลยมุเดียวลงไปเดยระดับ น, นกหว่าไปน ะ, ะสัมมาว่ายมะสัมมาสมาติตั้งสติไว้ชอบก็ตั้งไว้ในสัตธรรมทั้งสี่ในสติปัฏฐานสี่นี่เนี่ยจะเป็นอาการใดก็ตามเรียกว่าตั้งสติไว้ชอบตรงนี้สัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบ มันใช่เป็นสมาธิที่ผ่านผลโลดเด้นไปเกี่ยวดูเมืองนรกเมืองสวรรคเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอัดเป็นทำเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นโดยความเจ็จสัรต์ย่อของตัวเองซึ่งความคิดแล้วไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสมาสมาธิเป็นไม่ฉาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องคือความสงบเย็นของใจมีเป็นพื้นฐานในสมาธิอันถูกต้องแต่มันก็หมดแล้ว ผมพูดถึงเรื่องมากนี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสประเภทต่างๆหมดประจักษจิตใจของเราจิตปกติมีการหมุนตัวอยู่ด้วยการสั่งสมกิเลสเพราะกิเลสที่เป็นพื้นของจิตที่บังคับจิตมีอยู่ภายในได้แก่อวิชชาปฏิญาสังขาราอวิชชานั้นมันบังคับมันผลักให้สังขารตุงขึ้นมาได้ด้วย ปรุงเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาาัจวริะเรื่องจะปรุงเป็นอัดเป็นธรรมไม่มีทางสําหรับอวิชาพาให้ปรุงนอกจากทํรมภาให้ปรุงซึ่งเราต้องบงังคับในขั้นเริ่มแรกต้องบงังคับปรุงสังขารให้เป็นเป็นธรรมขึ้นมาก็เป็นมากได้สังขารฝ่ายสมุทัยก็คือสังขารที่คิดไปเรื่องของจา ก, การสังสมกิเลสเรียบก่าสังขารที่เป็นสมุทัยสังขารที่เป็นมากก็คือปรุงแต่งคิดอ่าน ตจตองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อการถอนถอนที่เกี่ยวกับสารประเภทต่างๆนี่เรียกว่าเป็นสังขารฝ่ายมากเน่มันก็อยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นทําไมจึงไม่ได้เรื่องด้วยลาภาวนาไม่เอาจริงเอาจังอะไรบ้างเหรอยิ่งกว่าการหลับการนอนความที่เกียจก่อนเองแล้วเราจะหาความทักจิตพิ่เจ็บภายในจิตใจเราได้ยังไงเมื่อสิ่งที่เราเป็นไปอยู่ เราติดใจด้วยแนบกับใจของเราอยู่อย่างสนิทก็คือความขี้เกียจอ่อนแอมากง่ายความไม่เอาไหนอันนี้เหลือเป็นทางเพื่อบุกเบิกมาพรุนิี่ผ่านภาคทิ้ง น, นี้มีแล้วศาสต์โลกได้บรรลุมะพรุนิี่านกันหมดไม่ต้องมาใช้ความพยายามด้วยความอดความทนความภาความเปลียนอะไรกันเลยแต่การพยายามนี้ก็เพราะว่านี้เป็นทางบุกเบิกที่เด็ดือดหาสราเพื่อความบุกพ้นต้องทําให้จริงให้จัง นอน่นนานอนใจศาสนาแค่พะทุวันทุกวันนะจะว่าไม่บอกครูอาจารย์ที่จะรู้ทั้งเหตุทั้งผลมีความชานีิชานาญในทางบำเพ็ญเหตุและผลที่จะนํามาอบรมสัางสอนพอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทุกวันนี้มีน้อยเข้าโดยลําดับลำดั บ, ดบต่อไปก็จะเป็นว่าเชื่อขาดดุโบนากาศนีดลมพัดศาสนาคน ิวไปตามลงเลยหากดหาเกณฑ์ไม่ได้ควรจะตักตวงเสียเวลาที่ควรอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าผู้มีกิจเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของพระสงค์นี่มีจำนวนมากนะไม่มากเรานับ ก, ก็ได้นับรายองค์ององของพระที่จะเป็นคติเป็นเครื่องยุดจิตของจิตใจทั้ง าการมาคุยปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมและผลที่จะเกิได้เรามีไม่มากและยิ่งเข้าแก่ไปโดยดำลำดับลำดับด้วยห า, า, า, ากเราไม่พยายามตัดตวงเสียแต่เวลานี้ซึ่งเป็นการควรอยู่แล้วเราจะไปหวังพึ่งใครเวลานี้เรามาหวังเพึ่งครูพึ่งอาจารย์ในอุบายต่างๆพระตนไม่สามารถเมื่อได้รับการพึ่งพิงได้รับการอบรมธรรม สอนอบรมจากท่านแล้วเราก็นำไปเึืปฏิบตัติเพื่อให้เป็นผลขึ้นมาภายในจิตใจข้างต้นให้มีความอบอุ่นเย็นใจอย่างน้อยคือสมาธิจากนั้นให้ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คาลงไปคำว่าปัญญาในกว้างขวาง ม, มากจึงไม่อาจที่จะแสดงลงในแง่ใดแง่หนึ่งหรือ ท, ทั่วไปได้โดยที่ให้ถูกกระดิดนิสัยของ ท, ทุกท่านไปนอกจากคลายใดมีความแยบคลายทางปัญญาได้พิจารณารู้เห็นในสิ่งใด อาการใดของธาตุของขันนนนี้มาเล่าให้ฟังว่าขัดข้องตรงไหนนั่นมีทางที่จะอธิบายให้ฟังได้ทันทีเราเป็นช่องเป็นจุดที่ต้องการหยู่แล้วอ้อขัดข้องจุดนี้เลอนะอธิบายให้ฟังทันทีอธิบายดป ก, กว้างกว้างันลาบากนะที่เคยพูดแล้วเ น, นี่ย มาตอบ น, นัญหขอให้ท่านเป็นดาอธิบายด้วยครับ